วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดมมนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสิบสี่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เข้ามาวัด เพื่อที่จะได้มาตัดตวงประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากการมีศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่จะได้รับประโยชน์สุขจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องคือสัมมาศัทธา ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถ้ามีศรัทธาที่ไม่ใช่เป็นสัมมาศัทธาหรือเป็นมิจฉาศัทธามีความเชื่อมีความศรัทธาในทางที่ผิดประโยชน์สุขที่จะพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นมาอะไรจึงเรียกว่าเป็น ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือที่เราเรียกว่าความเชื่องมงายความเชื่องมงายก็คือความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเช่นการที่จะมาขออะไรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูป เราคงจะเห็นมีวัดหลายวัดที่มีพระพุทธรูปที่มีคนคารพนับถือเข้าไปกราบไหว้ขอพรอะไรต่างๆกันมากมายอันนี้แหละเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบมงมงายเพราะว่าไม่ได้เป็นความจริงนั่นเองขอก็ขอกันไปอย่างนั้น บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้ก็คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรมาให้กับตนถ้าไม่ได้ก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวต้องไปขอใหม่ขอเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะได้สิ่งที่ต้องการอันนี้ไม่ได้เป็นความเป็นจริงของพระพุทธศาสนา ความเป็นจริงของพระพุทธศาสนานี้สอนให้เราหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราด้วยตัวของเราเอง<ม>คืออัตตาหิอัตโนนาโถ<ม>ตนเป็นที่พึ่งของตนมมไม่ได้ให้ขอจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้อยากได้ความสุขความเจริญก็ไปขอจากคนนั้นจากคนนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงนี้จะต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถึงจะรู้ว่าพระพุทธ พ, พระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านจะมอบอะไรให้กับเราได้ ความเชื่อที่จะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความเป็นจริงนี้จะเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากผู้รู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เท่านั้นตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าให้เราเข้าไปเรียนรู้ให้เราเรียนรู้ว่าเราจะได้ความสุข ได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปที่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก mm hmm. หรือไปศึกษาจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย mm hmm. แล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเป็นจริงของพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ว่าประโยชน์สุขที่เราเพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรประโยชน์สุขที่พระพุทธศาสนาจะสอนให้เราเข้าถึงได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองการบรรลุถึงความสุขอัรประเสริ ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานบรลมสุขนิบานังปละมังสุขขังอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะเชื่อกันเชื่อว่าการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เพราะว่าเราเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่จะสามารถสอนให้เราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะได้รู้วิธีที่จะยุติกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เราก็จะได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรของพระนิพพานได้ <c oughs> อันนี้แหละคือศรัทธาที่แท้จริงที่ถูกต้องก็คือศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้คืออาจารย์ของพวกเราเป็นครูเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เรารู้จักวิธี กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปและสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่สุดยอดที่สูงสุดที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพาน นี่แหละคือศรัทธาที่เราควรจะมีกันที่เรียกว่าสั ม, มาสัทธาหรือศรัทธาที่ถูกต้องคือมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเปรียบเป็นเหมือนอาจารย์เป็นครูอย่างที่เราคงจะได้อ่านได้ยินในบทพระพุทธคุณที่ทรงที่ได้แสดงไว้ว่าศรัทธาเทวามนุษย์สานัลพระพุทธเจ้าเป็น เป็นครูของของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่ต้องการความรู้วิชาความรู้ที่จะปลดปลื้มความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปที่จะได้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐของพระนิพพานจำเป็นที่จะต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้า หรือจากพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระสุปฏิบัติดีศึกษาจากพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านทั้งสามนี้จะสอนวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเรา ท่านจะไม่สอนอย่างอื่นท่านจะไม่สอนให้พวกเราไปสร้างพระพุทธรูปกันขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วก็มาขอบพระพุทธรูปที่เราสร้างนีว่าจะให้นู่นให้นี่กับเราอย่างนี้ก็ทำไมต้องไปสร้างแล้วามาขอจากพระพุทธรูปเมื่อเราสร้างพระพุทธรูปได้เราก็ขอจากตัวเราเองก็ได้ <L an> ใครเป็นคนสร้างพระพุทธรูปถามจริงๆ <L an> เถอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาสร้างพระพุทธรูป ไม่นี้หรอก็คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี่ยคนที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเรานี่ยเป็นผู้ที่มาสร้างพระพุทธรูปกันพอสร้างเสร็จก็มาสมมุติมานิมนพระมานั่งสวด น, นั่งเป่าอยู่สามวันสามคืนทําให้พระพุทธรูปที่ปั้นด้วยมือของคนที่เป็นกิเลสนี้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา แล้วก็ทำให้เกิด ค, ความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธรูปนี้จะสามารถโดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กัน mm hmm. อยากได้อะไรไปขอพระพุทธรูปได้บ mm hmm. อกงานไม่มีงานทำไปขอพระพุทธรูปเดี๋ยวก็งานก็มา mm hmm. กิจการไม่เจริญก้าวหน้าร mm hmm. ุ่งเรืองก็ไปขอพระพุทธรูป mm hmm. เดี๋ยวกิจการก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ขอได้สารพัดสารเพแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องคนที่ได้ก็มาประกาศมาบอกให้รู้ว่าโอ้พระพุทธรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้อย่างใจพวกที่ไม่ได้ก็ไม่ได้มาพูดอะไรก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาของตนอันนี้แหละเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบงมงายซึ่งไม่ ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจของพวกเราถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้เช่นได้งานได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้อะไรต่างๆที่เราอยากจะได้แต่สิ่งที่เราอยากได้นี้ไม่ขอก็ได้คนที่เขาไม่ขอกันมีเยอะแยะไปประเทศที่ไม่มีพระพุทธลูกเขาทำยังไงกัน เขาไม่มีพระพธรูปขอเขาก็ยังมีได้มีสามีเาอยากมีสามีเขาก็หาได้อยากมีภรรยาเขาก็หาได้อยากมีลูกเขาก็หาได้อยากมีงานทาเขาก็หาได้ mm hmm. ไม่จาเป็นจะต้องมีพระพุทธรูปก็ได้ทำไมาเราไม่คิดกันบ้าง mm hmm. ว่าพระพุทธรูปนี้ท่านมีหน้าที่อะไรที่แท้จริง mm hmm. ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละไ ม, ไ, มไม่ไม่ต้องการให้มีพระพุทธรูปเสียได้ซ้ําไปเพราะว่ามีมีบุคคลท่านหนึ่งได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาองค์หนึ่งแล้วนํามามาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับปฏิเสธไม่รับแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่เราเนี่ยพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เราถ้าอยากจะพบเราเข้าหาเรานี่เธอต้องเข้าหาด้วย การเข้าหาก็ทมคำสอนของเราสงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระนามที่พระราาพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเวลาที่กล่าวถึงพระ อ, องค์พระ อ, องค์จะกล่าวว่าตะถาคตผู้ที่ผู้ที่เห็นธรรมคือผู้ที่เห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นเรา ต, ถ า, ต, ราตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรม ถึงแม้ได้พบพระพุทธเจ้าต่ อ, อต่อหน้าก็ตามก็ยังไม่ใช่เป็นการได้พบกับพระพุทธเจ้ากับตถาคตที่แท้จริงเพราะว่าศรีระร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปนี่ เ, เป็นวัตถุเช่นเดียวกันเป็นดินน้ำลมไฟต่างกันตรงที่ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้านี้สามารถแสดงธรรมได้ สามารถพูดธรรมะให้พวกเราสั่งได้สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเข้าหากันก็คือเข้าหาเพราะทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติอีกทีเพื่อที่จะได้พบกับธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่ที่ตอนนี้ถูกโมหะอวิชชาปกปิดบังเอาไว้ ทำให้พวกเราไม่สามารถมองเห็นธรรมอันประเสริฐได้ไม่สามารถมองเห็นพระพุทธที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราว่าพุทธะคือผู้รู้นี้อยู่ในใจของพวกเรา แต่อตอนนี้พุทธะของพวกเรานี้เป็นเหมือนพุทธะที่ตาบอดถูกโมหะอวิชชาเอาเอ า, เอาผ้ามาปิดบังไว้ปิดกั้นไว้ทําให้ไม่สามารถเห็นความจริงต่างๆที่เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของพวกเราได้ mm hmm. แต่พอเราเอาโมหะอวิชชานี้ออกไปจากใจของพวกเราได้ mm hmm. เราก็จะสามารถเห็น ทำอันประเสริฐที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้<ม>การเวียนว่ายตายเกิดที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมานานนับแสนล้านปีแสนล้านครั้ง<ม>และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนี้จะสิ้นสุดลงได้ เมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเข้าถึงกันไม่ได้ให้เข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าเององค์ก็เคยตัดว่าถึงแม้เธอจะมานั่งเกาะชายผ้าเหลืองของเราก็ตา่างแต่ถ้าเธอไม่สนใจกับพระธรรมคำสั่งคำสอนที่เราสอนพวกเธอให้นำเอาไปปฏิบัติเธอก็จะไม่ได้อยู่ใกล้กับเรา แต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์ <Yeah. S 1> แต่เธอมีความสนใจที่จะคอยศึกษาที่จะคอยปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของเรา <Yeah. S 1> เธอก็เหมือนอยู่เกาะชายผ้าเหลืองของเรา <Yeah. S 1> อันนี้แหละ <Yeah. S 1> คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงให้พวกเราเชื่อกัน <Yeah. S 1> ให้เชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทิศแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่จะพาให้เราไปได้พบกับพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาให้กับใจของพวกเราอยู่ที่ตรงนี้นี่คือความเชื่อหรือศรัทธาที่ถูกต้องคือเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นเหมือนครูเป็นเหมือนอาจารย์ที่จะสั่งสอนธรรมะคือความจริงที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขความเจริญที่ถาวรให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรอยู่ที่ตรงนี้ น, นี่คือความเชื่อของชาวชาวพุทธเรา ให้เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะสอนให้เราได้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกต่อให้เป็นพระราชามหากราิยัเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐนายกรัฐมนตรี ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้นั้นสู้ความสุขที่จะได้จากความสุขของพระนิพพานไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจึงไม่สนใจในเรื่องของการที่จะสอนให้เราเป็นพระราชามหากษัตริย์สอนให้เราเป็นประธานาธิบดีสอนให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สอนสนใจในการสั่งสอนให้เราเข้าถึงพระนิพพาน ให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือศรัทธาที่ถูกต้องการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เพื่อเข้าหาความรู้เข้าหาธรรมที่จะทำให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมตอนนี้ดวงตาของเรามืดบอดไม่สามารถมองเห็นธรรม ที่มีอยู่ในภายในใจของพวกเราได้เราจึงมักจะวิ่งเข้าหาแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่ในใจของเรานี้มีทั้งความสุขและมีทั้งความทุกข์กันแต่เนื่องจากใจของเรานี้ถูกเอาโมหะอาวิชชาความมืดบอดมาปิดกัน้นมาปิดบังทำให้เราไม่เห็นความทุกข์และความสุขที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรา ยิ่งทำให้พวกเรานี้วิ่งหรือมักจะพบแต่ความทุกข์กันความสุขนี้เรามักจะไม่ค่อยพบกันเพราะเรามักจะหนีจากความสุขกันความสุขที่แท้จริงเรามักจะหนีกันเรามักจะเข้าหาความสุขที่เป็นความสุขปลอมกันที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อไปนั่นเองนี่คือการมีโมหะอวิชชา มีความมูดบอดอปกคมจิตใจของพวกเราจรึงทำให้พวกเรานี้มองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นสัจธรรมความจริงว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราทุกข์กันอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราสุขกันอันนี้เราไม่รู้กันเราก็เลยไป เห็นกับตาลปัดกลับไปเห็นเหตุที่จะทำให้ใจเราทุกข์กันว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขกัน mm. เราก็เลยไปสร้างเหตุที่เราคิดว่าจะทำให้ใจเราสุขกันแล้วพอสร้างขึ้นมาก็กลับได้ความทุกข์กลับคืนมาอันนี้แหละคือเรื่องของความหลงความเชื่อที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คือเชื่อแบบงมงายเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ร่ำเรียนโดยตรงจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั่นเองได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้เขาบอกมามว่าพระพุทธรูปวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้พระรูปนั้นรูปนี้น้ำมนต์นนของพระรูปนั้นรูปนี้น้ำมนตของวัดนั้นวัดนี้<ม>เป็นของวิเศษ<ม><ม>ได้มาแล้วจะทําให้ ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์อันนี้เป็นความเชื่อแบบงมงายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พร ะ, พ, ระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนและไม่ได้ทรงตัดสรู้ลองถามซิว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรตัดสรู้วิธีทําน้ํามนต์ให้วิเศษหรือเปล่าตัดสรู้วิธีเสรเป่าให้เราได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นกันหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่มีหรอกพระพุทธเจา้าไม่ได้ตัดสรุปเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจา้าไม่สนใจเรื่องราวเหล่านี้เพราะท่านมองเห็นด้วยปัญญาว่าต่อให้เราได้เป็นอะไรได้มีอะไรมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้น่ะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือโลกกะระทำเช่นลาบยศสรรเสริญสุขนี้ของของโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจอนิจพานไม่เที่ยง เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาได้ลาบมาก็ดีใจกันพอลาบหมดก็ทุกข์กันเวลาได้ยศมาก็ฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนเวลาสูญยศไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาได้สรรเสริญได้รับการยกย่องได้รางวี่รางวัลก็ดีออกดีใจ พอได้ร um e ับคำตาหนิติชมมีคำกลาหานินทาก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเวลาได้รับความสุขจากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆก็มีความสุขพอเวลาความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆหายไปหมดไปความเศร้าความซึมเศร้าก็เข้ามาความเหงาความว่าเหวก็เข้ามา นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโล ก, กธรรมคือลาบยศสารเสญสุขพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พยายามที่จะค้นหาวิธีที่จะทำให้ลาบยศ ส, สรรเสญสุขนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด เพราะท่านทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านจึงไม่แสวงหาโล ก, กธรรมแต่ท่านต้องการจะแสวงหาการออกจากโล ก, กธรรมเพราะทรงเห็นว่าการติดอยู่กับในโล ก, กธรรมนี้ก็เท่ากับการติดอยู่ในกองทุกนี้แล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงได้ตัดจารุ ทาที่จะทําให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ความได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐของพระนิพพาน mm hmm. ก็คือได้ทรงตัดสรู้พระอริยาศาศาสัจสี่นี่เองอันนี้แหละถ้าเราเป็นชาวพุทธ mm hmm. เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไร mm hmm. เห็นอะไรพบอะไร พบกองเงินกองทองพบลาบยศสารเสรนสุขที่ถาวรหรือเปล่าไม่มีท่านไม่พบของเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ท่านพบก็คือความสุขที่ถาวรของพระนิพพานคือและพบการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรของทั้งสองอย่างนี้มาพร้อมกันพอหลุดพ้นจากความทุกข์ความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาทันที ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ความสุขก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา <Yeah. S 2> มันมีอยู่ในใจของเรา <Yeah. S 2> เป็นเหมือนความมืดกับความสว่าง <Yeah. S 2> มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 2> แต่มันไม่ปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน <Yeah. S 2> เวลามืดก็มันก็จะไม่สว่า ง, <Yeah. S 2> งพอตกเย็นปับ๊บความสว่างก็จะหายไป <Yeah. S 2> ความมืดจะคืบคลานเข้ามา <Yeah. S 2> แล้วพอตอนเช้าพอพระาทิตขึ้น yeah. ความมืดก็จะหายไปความสว่างก็จะโผล่เข้ามาความสุขความทุกข์ภาในใจของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ในใจของพวกเราอยู่ความสุขมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแต่พอความทุกข์หมดไปจากใจของพวกเราเมื่อไหร่ความสุขมันก็จะโผล่ขึ้นมาเมื่อนั้นอันนี้แหละคือสัจธรรม ความเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลว่าใจของเรานี้สามารถมีได้ทั้งสุขสามารถมีได้ทั้งทุกข์อยู่ที่ว่าเรารู้จักเหตุของของของของความสุขและของความทุกข์ว่าเกิดว่าเป็นอะไรเท่านั้นเองแล้วสามารถทาจัดมันได้หรือสร้างมันขึ้นมาได้เท่านั้นเองเช่นถ้าเรารู้ว่าความ เหตุของความทุกข์ใจของพวกเราคืออะไรแล้วถ้าเรากําจัดความทุกข์เหตุของความทุกข์ของใจของเราได้ความทุกข์องใจเราก็จะหายไปพอความทุกข์ของใจของเราหายไปความสุขของใจเราก็จะปรากฏขึ้นมาแทนความทุกข์ทันทีดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ก็สอนให้พวกเรารู้จักวิธีกําจัดเหตุที่มาทําที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของพวกเราเนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเราสามารถกําจัดความทุกข์ที่เหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์นี้ได้พอเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์ไม่มีความทุกข์มันก็จะหายไปแล้วก็ความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาทันที ความสุขนี้ไม่ต้องไปวิ่งหามันความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปวิ่งหามันความสุขที่เราวิ่งหากันนี่เป็นความสุขรลอมความสุขที่เราหาจากราบยศสาระเสวญสุขนี่เป็นความสุขรลอมกันเพราะว่ามันจะวิ่งหนีเราอยู่เรื่อยๆนั่นเอง<ม>พอได้มาปั๊บเดี๋ยวมันหนีไปละเหมือนวิ่งตะคุบเงาพอคิดว่ามันอยู่ตรงนั้นพอวิ่งไปตะคุบมันตรงนั้นอ้าวเงามันหนีไปข้างหนาก ความสุขที่เราคิดว่าเราจะได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันเราคิดว่าพอได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขมากๆพอได้มาแล้วความสุขที่เราได้มันเดียวเดียวเท่านั้นเองเดียวป้าบไม่นานมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟนี่คือลักษณะของความสุขทางโลกเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขแบบควันไฟ ต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามพอได้มาแล้วมันก็จะให้ความสุขกับเราชั่วประเดี๋ยวประดาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะจางหายไปหมดทําให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เรื่อยๆทําให้เราต้องคอยวิ่งไปหาความสุขใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆนั่นเองเราถึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเพราะว่าเวลาใดที่เราไม่สามารถหาความสุขปลอมมาได้ เวลานั้นใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความเหงาความว้าเว่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุงทรงได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากเหตุคือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากเสรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเรียกว่ากามะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้รูปประชานอันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรือความอยากไดเอารูปประชานก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาความอยากเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมาในใจของพวกเรา มันจะทำให้ใจเราดิ้นรนอยู่เฉยๆอยู่ไม่เป็นสุขกัน mm hmm. เวลาใจดิ้นรนความสุขจะหายไป mm hmm. เวลาใจสงบใจไม่ดิ้นรนความสุขจะโผล่ขึ้นมา mm hmm. อันนี้เราไม่รู้กันเพราะเราไม่เคยเห็นใจของเราที่ระงับจากความอยากความอยากของพวกเรานี่รู้สึกจะทำงานตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับมันก็ยังอยากอยู mm ่ hmm. การที่เราจะพบกับความสุขที่ได้จากความไม่อยากนี้เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองเราจะต้องมาฝึกจิตมาหยุดจิตกันให้จิตมันอยู่เฉยๆสักพักหนึ่ง mm hmm. เวลาจิตหยุดได้หยุดความอยากหยุดความคิดได้เวลานั้นเราก็จะได้เห็นความสุขของความสงบโผล่ขึ้นมาเพราะฉะ น, นั้นเราได้ระ ง, งับ เหตุที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเรากกาวนกกาวายกกะสับเกะสายทำให้ใจเราทุกข์คือความอยากต่างๆความอยากต่างๆนี้มันอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือใจต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถึงจะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าใจไม่ได้คิดถึงอะไรเลยความอยากก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้ ถ้าเราหยุดคิดได้แม้แต่เป็นช่วงขณะหนึ่งก็ตามหรือเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามเวลานั้นเราจะพบว่าความอยากในใจของเรานี้หายไปไม่มีแล้วเราจะพบว่าใจของเราเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบคือการหยุดความคิดหยุดความอยากของเรานี่อันนี้แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้า ต้องการให้เราพวกเราเข้าพบกันเข้าหากันเพราะมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปแต่ในเบื้องต้นของการปฏิบัินี้กำลังของเรายังไม่มีมากพอที่จะทำให้ใจของเรานี้สงบตลอดเวลาทำให้ใจเราหยุดคิดหยุดอยากได้ตลอดเวลา <Yes. S 1> เราจรึงต้อง มีการพัฒนาการปฏิบัติของเราคือต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติของเราก็จะคืบหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดความอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะสามารถหยุดความคิดความอยากได้อย่างถาวร อ, อันนี้คือเรื่องของการ ปฏิบัติจิตภาวนาที่เป็นวิธีการที่จะพาเราเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงด้วยการกาจัดกาจัดความคิดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้เพราะถ้าตราบใดเรายังมีความคิดไปในทางความอยากอยู่ความคิดในทางความอยากนี้มันจะคอยผลิตความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อย เองสังเกตดูทุกครั้งเวลาที่เราคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะรู้สึกกวลกวายกระสับกระส่ายแล้วถ้ายังไม่ได้นี้อาจจะทำให้เราต้องดิ้นหาวิธีเช่นบางทีก็ต้องไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอจากพระรูปนั้นรูปนี้พระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้ไปขออะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้กัน นั่นแหละคือความทุกข์ปรากฏขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่เราอยากขึ้นมาทท้งนั้นเองใจเราก็กังวลกะวายแล้วแล้วลองลองสังเกตดูช่วงไหนช่วงที่เราไม่มีความคิดไปในทางความอยากนี่ใจของเราจะรู้สึกอย่างไรใจของเราจะรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้แต่เพียงแต่มันอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นเอง เพราะความคิดในทางความอยากนี้มันคอยเข้าแถวคอยเข้าคิวรอมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็อยากได้ไอันนั่นเดี๋ยวก็อยากได้ไอันนี่เดี๋ยวก็อยากจะไปที่นั่นเดี๋ยวกอยากจะไปที่นี่เดี๋ย ok <c oughs> อยากจะพบคนนั้นอยากจะพบคนนี้มีความอยากมันคอยเข้าคิวมาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเราจึงมักจะไม่ค่อยได้เจอความสุขกันเจอก็ไม่มากนานๆเว <c oughs> ลาช่วงไหนที่ มันไม่มีคิวเข้ามาความอยากไม่มีคิวเข้ามาเวลานั้นเราก็จะรู้สึกสบายสบายใจไม่มีอะไรมากดดันให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจแต่พอมีช่วงไหนที่เราคิดไปในทางความอยากแล้วช่วงนั้นมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะต้องแก้โดยที่วิธีไม่ถูกก็คือแก้ด้วยการไปทำตามความอยาก และพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาความทุกข์ความกังวลกวยก็จะหายไปชั่วคราวตอนนั้นใจเรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็เลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาคิดว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราจะต้องทำตามความอยากการที่เราจะมีความสุขเราต้องมีความอยากกันถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรคนมักจะคิดอย่างนี้กัน คนที่เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาใหม่ๆจะไม่เข้าใจว่าทําไมาศาสนาพุทธจึงสอนให้คนเราหยุดความอยากกันเพราะว่าเมื่อเราเวลาที่เราอยากจะมีความสุขเราต้องมีความอยากกันเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเหงาเราก็มาคิดว่าถ้าเรามีแฟนน่าจะทําให้เรามีความสุขกันเราก็เลยอยากมีแฟนขึ้นมาพอเราได้แฟนเราก็รู้สึกมีความสุขกัน ยิ่งแต่ว่าความสุขที่เราได้จากแฟนนี่มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็อาจจะมีความทุกข์เข้ามาแทนที่น mm hmm. เช่นเวลาที่แฟนไม่อยู่กับเรา mm hmm. เวลานั้นความสุขที่เราเคยได้จากแฟนก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความความเหงาความเศร้า mm hmm. นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน แล้วขณะที่เรามีความอยากมีแฟนแล้วยังไม่ได้แฟนตอนนั้นก็จะรู้สึกไม่สบายใจกัะวลกวายกระสับกระสายทำให้เราบางทีต้องไปเพึ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งเวลาที่เรามีความอยากเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้นี้เรามักจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีใครแนะนำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นขังอย่างไรมีอยู่ที่ไหนก็จะมักแห่ไปกัน ไปขอพอรกันขอให้ได้สิ่งนั้น<ม>สิ่งนี้กันเพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้แล้วมันรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองมันจะมันทรมานใจเวลาอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้แล้วเลยต้องดิ้นตนหาวิธีต่างๆมาช่วยให้ได้สิ่งที่อยากได้กันแต่ไม่ได้มองว่าสิ่งเวลาไปขอนี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ มันไม่ได้ถ้าเป็นของแท้ของจริงนี่มันต้องได้ทุกครั้งถ้าต้องการอะไรก็ต้องได้ทุกครั้งไปถึงจะเรียกว่าเป็นของจริงเหมือนเวลาเราเปิดไฟนี่ทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์ไฟนี้ไฟมันติดก็แสดงว่าอันนี้เป็นของจริงถ้าเราไปเปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่ติดนี่เราก็รู้ว่ามันหลอดไฟนี่มันเสีย <S <S เราต้องเปลี่ยนหลอดไฟ อ, อันนี้ก็เหมือนกัน เวลาเราไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่นี่พอขอแล้วไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปขอที่อื่นหน่เหมือนกับไปเปลี่ยนหลอดไฟกัน<ม>แล้วพอได้เราก็คิดว่าที่นี่เป็นของจริงทุกครั้งที่ต้องการอะไรก็มาขอจากที่นี่แต่ครั้งต่อไปเวลาขอแล้วไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอีก<ม>เพราะว่ามันไม่เป็นความจริง การได้หรือไม่ได้นี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มันเป็นจังหวะมันเป็นเวลาที่มันจะได้มันก็ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นจังหวะเป็นเวลาที่จะได้ขอยังไงมันก็ไม่ได้เน้นอยากไปขอการขอนี้ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุธทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าสอนให้เราทำอยากจะได้อะไรต้องต้องทำแลสิ่งที่เราอยากได้ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่ใช่อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำอย่างไรมันก็ไม่ได้เช่นอยากจะทำให้เราไม่แก่นี่ทำยังไงมันก็ทำไม่ได้หรอกทำมาอาจจะหลอกให้เราดีใจหลงดีใจว่าทำได้ไปทำนูน่นทำนี่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันสาวขึ้นหนุ่มขึ้นเราจะคิดว่าโอ้ยเรายังสามารถทำให้เราไม่แก่ได้ แต่อยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะพบกับสัธจธรรมความจริงนั่นเองว่าร่างกายนี้ฝื้นมันไม่ได้หรอกมันจะแก่ต่อให้ทํำยังไงมันก็ไม่มันหนีพ้นความแก่ไม่ได้ถ้าหนีได้ก็เอาคนอายุเก้าสิบไปทำหน้าใหม่สยคุณทีจะทำได้ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าทำได้มันก็มันก็เป็นของทีเป็นไปได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เาฉะั้น <c oughs> อย่าไปทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดีกว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนให้พวกเรามาทําให้ร่างกายของเราไม่แก่ ม, มาทําให้ร่างกายของเราไม่เจ็บมาทําร่างกายของเราไม่ให้ตายท่ารู้ว่าทําไม่ได้ท่านจึงไม่สอนให้เสียเวลาแต่ถ้ารู้วิธีท่านรู้ว่าเราสามารถทําใจของเรานี้ให้มีความสุขได้ทําใจของเราให้ไม่มีความทุกข์ได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะแก่อย่างไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร หรือถึงแม้เวลาร่างกายของเราจะตายนี่เราสามารถทาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ได้อันนั้นแหละเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบทำในสิ่งที่เราทำได้อย่าไปขอขออย่างไงก็ไม่ได้ของอย่างนี้มันต้องทำเองทาให้เราทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ แต่เราสามารถทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเชื่อกันเชื่อในความสามารถของพวกเราทุกคนว่าพวกเรานี้สามารถที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ได้สามารถทำให้ใจของพวกเรานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อกัน แล้วเราก็จะได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าว่าวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์วิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้สุขไปตลอดนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เรามาควบคุมจิตใจกันมาหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากกันเท่านั้นเองถ้าเราสามารถหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากได้ ใจของเราก็จะไม่มีความไม่มีความทุกข์เช่นเวลาแก่เราก็หยุดความคิดที่อยากจะไม่แก่ได้อย่าไปอยากไม่แก่เพราะความแก่ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันก็คือความอยากไม่แก่กันถ้าเราไม่คิดไปในทางที่จะทำที่จะอยากให้ร่างกายไม่แก่ได้เวลาร่างกายแก่นี้เราจะไม่ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน แก่ก็ปล่อยมันแก่ไปไม่มีความอยากให้มันไม่แก่มันก็ไม่ทุกข์ ừ, ừ. เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่คิดไปในทางความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์ ừ, ừ, เราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยหรือเวลาที่ร่างกายเราจะตายก็อย่าไปคิดอยากไม่ตายกันความอยากไม่ตาย ความอยากให้ร่างกายมันอยู่ไปนานๆ น, นี้มันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่คิดไปในทางความอยากไม่ตายได้ใจของเราจะไม่ทุกข์กับความตายเลยนี่ต่างหากคือสิ่งที่พระเจ้าทรงคนพบว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย<ม>เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน<ม>เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนจนหรือคนรวยคนมีการศึกษาสูงหรือคนไม่มีการศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาทำใจของพวกเราให้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ทำใจให้ของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาได้นี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะมีศรัทธามีความเชื่อกัน เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเชื่อกันนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าจะสามารถที่จะโดนบันดาลสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้และสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ดีกับเราเพราะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามมันมีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของที่มีวันสิ้นสุดได้จึงจึงไม่ควรที่จะไปต้องการความสุขจากสิ่งเหล่านี้กันเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปความสุขจากโลกธรรมคือลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีวันหมดได้เวลาความสุขที่ได้จากทรัพย์หมดไปเวลาทรัพย์หมดความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ความสุขที่ได้จากยศจากตำแหน่งพอพ้นจากยศพ้นจากตำแหน่งไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ <Yeah. S 1> สัรเสริญก็เหมือนกันเวลาได้รับการสรรเสริญยกย่องก็ดีอกดีใจ พอความสรรเสริญนั้นหายไปความนินทาเข้ามาเมื่อไหร่ความเศร้าใจก็ตามมาทันทีความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เช่นเดียวกันเวลาได้เสพก็มีความสุขกันเวลาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรทางตาหูจมูกร่นกายก็มีความสุขกันแต่พอเวลากลับมาอยู่บ้าน ก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าเวขึ้นมามันความสุขหรอเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเสมอจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะแสวงหากันเราควรที่จะมาแสวงหาความสุขภายในใจของเราดีกว่าความสุขที่จะเกิดจากการระ ง, งับความคิดที่คิดไปในทางความอยากการที่เราจะทำให้ ความคิดของเราในทางความอยากนี้หยุดไปได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหยุดความคิดหยุดความอยากนี้มีอยู่สองตัวด้วยกันมีสองอันด้วยกันอันแรกเรียกว่าสติอันที่สองเรียกว่าปัญญาทั้งสองนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะมาช่วยเราหยุดความคิดที่คิดไปในทางความอยากกันได้ แล้วพอเราหยุดความคิดที่คิดไปในทางความอยากได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วความสุขอันประเสริฐโลกก็จะโผล่ขึ้นมา <Yeah. S 1> อยู่ที่ตรงนี้ความสุขที่แท้จริงอย่าไปหาจากโลกธรรททั้งหลายอย่าไปหาจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขปลอมความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะอยู่กับเราเป็นของเราความสุขที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไ ป, ป, นไปหมดไปคือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจนี่แหละแต่ในเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้เราจะเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบแบบชั่วคราวก่อนคือการเข้าด้วยสติ การทำใจให้เราหยุดคิดหยุดอยากด้วยสตินี้เป็นวิธีที่เราจะทำกันก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่สองก็วิธีวิธีการใช้ปัญญาและการจะใช้ปัญญาได้เราต้องอาศัยสติก่อนด้วยเราจึงต้องมาเจริญสติกันก่อนมาสร้างสติมาสร้างเครื่องมือชิ้นแรกก่อนคือสติ เพื่อมาใช้หยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆวิธีที่จะใช้สติสร้างสติขึ้นมาเราก็ต้องมีอารมณ์หรือกรรมฐานเป็นเครื่องมืออีกทีนึ่งอารมณ์ที่เราจะใช้มาหยุดความคิดต่างๆที่จะคิดไปในทางความอยากนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีอารมณ์เป็นอารมณ์สี่สิบชนิดด้วยกันกรรมฐานสี่สิบ แต่เวลาเราใช้จริงๆนี้เราใช้ทีละอันเราไม่ต้องใช้ทั้งหมดกรรมฐานสี่สิบนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอาหารอาหารในร้านอาหารนี่เวลาเข้าไปเขาเอารายการมาให้ดูโอ้โหยเยอะแยะไปหมดเลยแต่เวลาเราจะกินจริง ๆ, ๆเราสั่งมาเพรคแค้งเพียงอย่างสองอย่างก็พอฉันใดอารมณ์ที่เราจะมาใช้ในการหยุดความคิดของเรานี้เราก็ใช้เพียงอย่างสองอย่างก็พอ หรือบางทีอาจจะมีในกรณีพิเศษก็ใช้ใช้บางอย่างเป็นเป็นเฉพาะกิจไปแต่โดยหลักทั่วไปอารมณ์ที่เราจะใช้ในการที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดที่จะคิดไปนในทางความอยากนี้เราก็จะใช้พุทธานุสติกันคือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นให้บริกรรมคำว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจเพราะถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธ เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราเอาความเอาใจมามาคิดกับคาว่าพุทโธพุทโธแทนนั่นเองแต่ถ้าเราไม่พุทโธพุทโธใจเราก็มีมีเวลาว่างที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่พอมาคิดถึงพุทโธพุทโธใจเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้อันนี้ก็เป็น เป็นอารมณ์หนึ่งเป็นกร ร, ก ร, รมฐานชนิดหนึ่งที่ที่ง่ายและสะดวกที่สุดว่าเราสามารถใช้ได้ทุกเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราต้องการจะควบคุมความคิดหยุดการคิดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้เราก็ทําได้เลยพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปถึงแม้เราจะไปทําอะไรเราก็พุโทโธได้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเช่นเราไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว ช่วงนั้นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปได้อย่าปล่อยให้ไปคิดตามความอยากต่างๆคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นคิดอยากจะไปซื้อของนั่นซื้อของนี้ขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันคิดเราใช้พุทโธหยุดมันได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดิ้นมันต้องดิ้นไปทำในสิ่งที่เราอยากทาต้องไปหาในสิ่งที่เราอยากได้กันแต่ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธอยู่มันก็จะไม่ไป ถ้าจะคิดก็คิดแต่ทำแต่เรื่องที่จาเป็นเท่านั้นคิดในเรื่องที่จาเป็นเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องการดูแลร่างกายของเราอันนี้เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องคิดกันแต่เรื่องที่จะไปแสวงหาความสุขจากโลกธระทำทั้งหลายนี้อย่าไปคิดมันเพราะมันไม่ได้เป็นการไปหาความสุขมันเป็นการไปหาความทุกข์กันเป็นการสร้างความทุกข์กันให้มาหยุดความคิด แบบนี้ดีกว่าเพื่อเราจะได้มาสร้างความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดดีกว่าคือความสงบของใจเนี mm ่ hmm. เราจึงเราสามารถใช้พุทธานุสตไิได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยขณะที่เรามานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ยังใช้พุโทโธพุโทโธได้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นจึงเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าคิดสุดยอดเนี่ ใครๆก็มักจะใช้พุโทโธพุธโทโธไปเหมือนกับเวลาที่มีอะไรมาเป็นเป็นรายการที่คนชอบกันเป็นคนก็จะชอบรายการนั้นกันอันนี้ก็เหมือนกันพุโทโธนี่เป็นกรรมฐานที่เป็นยอดนิยมของผู้ปฏิบัติธรรมกันนอกจากพุโทโธก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากายกตาสติ คือการใช้ร่างกายของเหล่านี้เป็นอารมณ์ในการสร้างสติขึ้นมาได้คือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าเราจะทำอะไรร่างกายของเราด้วยร่างกายของเราขอให้เรามีมีความรับรู้อยู่กับการกระทำของร่างกายเราอย่าปล่อยให้ใจเราไปที่อื่นอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับงานที่ร่างกายเรากำลังทำอยู่ เช่นกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่ ก, การล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันอย่ากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารหรือกำลังจะไปทํางานเดินทางไปทํางานหรือไปทํางานก็ให้มีสติอยู่กับการทํางานการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อย อันนี้เราก็จะสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยากต่างๆได้อันนี้เราก็ถ้าเราใช้กายสตาสติเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิทาใจให้สงบเราก็ต้องเปลี่ยนจากกายกตาสติมาเป็นอาณาปณะสติเปลี่ยนจากการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมาดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกแทน เพราะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิร่างกายของเราไม่เคลื่อนไหวแล้วเราจะไม่มีอะไรให้เราใช้เป็นเครื่องเจริญสติเราก็เปลี่ยนมาใช้อาการใช้การดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าถ้าใจของเรายังไม่ไม่สงบพอที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้เราก็มาดูอาการส2สองของร่างกายก่อนก็ได้มามาท่องชื่อของอาการสาสบสอง เช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้ท่องไปเรื่อยๆท่องกลับไปกลับมาจนกว่าใจเรารู้สึกจะนิ่งจะดูลมได้เราก็หยุดท่องอาการสาสบสองแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะใช้การท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้อันนี้เราก็จะสามารถที่จะ ทำให้ใจเรานิ่งให้เราสงบได้ให้หยุดคิดไปในทางความอยากได้ชั่วคราว<ม>เวลาใจสงบหยุดนิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเวลาใจสงบนิ่งนี้ใจจะไม่คิดอะไรความอยากที่เกิดจากความคิดก็จะไม่ทำงานความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็จะสงบตัวลงแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมา แต่มันเป็นความสุขเป็นความสงบชั่วคราวเพราะว่ากำลังของสตินี้ไม่สามารถที่จะให้ความสงบนี้สงบไปได้นานๆเดยเฉพาะผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้กำลังสติจะมีน้อยมากถ้าสงบก็จะสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่งความความสงบชั่วขณะหนึ่งนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบได้แป๊บเดียว พอแล้วก็จะถอนออกมาแล้วก็เริ่มคิดใหม่พอเริ่มคิดก็ต้องใช้สติคอยคุมมันใหม่ต่อไปใช้พุโทโธพุธโทโธคุมมันเลยใช้ดูถ้าเคลื่อนไหวถ้าร่างเคลื่อนไหวร่างกายก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ mm. เพื่อสร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วพอเรามีสติมีกาลังพอเราก็กลับมานั่งใหม่ถ้าเราทำเรื่อยๆสติของเราจะมีกำลังมากขึ้น แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้นานขึ้นถ้เาเวลาจิตสงบได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยสมาธินี้มีสองระดับคำิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิเวลาได้สมาธิแต่ละครั้งนี้ใจจะรู้สึกมีความสดชื่นมีความสุขแบบไม่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน ความสุขต่างๆที่เราเคยได้รับจากโล ก, กธรรมทั้งหลายเช่นลาบยศเรสรเสริญสุขนี้จะสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีไม่มีความสุขอใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบเพียงแต่ว่าในขั้นของสมาธินี้มันจะเป็นความสุขแบบชั่วคราว ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นความสุขที่ถาวรเราต้องไปสู่ขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิที่มั่นคงแนละ้วตอนต้นเราฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนให้มันมั่นคงไอเราสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้และอยู่ได้นานแล้วถ้าเรา ต้องการที่จะเปลี่ยนความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้เป็นความสงบที่ถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้เราต้องเอาปัญญามาใช้ระงับความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากปัญญาที่เราจะมาใช้นี่เราเรียกว่าไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาคือการที่เราจะต้องมองให้เห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์กันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราควบคุมบังคับให้มันให้ให้สุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้ใช่เวลาเราอยากได้แฟนนี่เราก็ต้องมองให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากแฟนนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาแต่งงานกันใหม่ๆเวลาเป็นแฟนกันใหม่ๆนี้มีความสุขแ ต, แต่พออยู่กันเป็นานๆนเข้า ความสุขที่ได้มันจะจางหายไปเพราะเกิดความเคยชินความรักความชอบมันจะค่อยน้อยน้อยลงไปหายแล้วก็หายไปเราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เที่ยงและเราไม่สามารถไปบังคับให้มันเที่ยงได้บังคับให้มันเป็นเหมือนเดิมได้เหมือนวันแรกที่เราเจอกันได้มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไป พอมันเสื่อมมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เราคิดอย่างนี้แล้วความอยากที่จะมีแฟนมันก็จะไม่มีเพราะมันจะเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับความทุกข์กับแฟนต้องทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฟนเปลี่ยนไปแฟนเคยดีกับไม่ดีแฟนเคยซื่อสัตย์กับไม่ซื่อสัตย์แอบไปมีคนนู้นคนนี้ตอนนั้นความสุขที่เคยได้จากแฟนคนนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา หรือถ้าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีเกิดเข้าไปไปอุบัติเหตุเป็นอมาพอมาพาะขึ้นมาก็ยุ่งมาเสิถึงแั้เก็จะดีไงทีนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาให้ความสุขกับเราได้แล้วนอกจากไม่ให้ความสุขกับเราแล้วยังมาเป็นภาระกับเราสิถ้าเราต้องอยู่กับคนพิการนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราต้องคิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่เกิดขึ้นได้มันเป็นอนิจจ์โลร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน จิตใจของคนก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไายได้ถ้าเราเห็น น, นิจังในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ตามมาทันทีแล้วเราก็จะเห็นอนัตตาว่าเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะเจ อ, เจอกับความทุกข์เราก็อย่าไปอย่าไปมีในสิ่งที่เราอยากมีก็แล้วกัน<ม>ใจก็จะตัดความอยากต่างๆไปได้หมดทุกครั้งที่เราอยากได้พยายาม ดูให้เห็นว่ามันเป็นไตรักแล้วความอยากได้มันก็จะหมดไปพอความอยากหมดไปใจก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจมาสร้างความวุ่นวายใจใจก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้เป็นความสงบอย่างถาวรเพราะว่าตัวที่มาคอยก่อควรให้ใจไม่สงบนี้ได้ถูกปัญญากำจัดไปหมดพอไม่มีตัวก่อควรจิตใจแล้วจิตใจ กะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเยจิตใจที่สงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธินี่เราได้วันนี้ผ่านเนี่ยนิบานยังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่สุดยอดของความสุขเพราะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่ง เกิดได้สองคนพบความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเรามีของดีมีของวิเศษอยู่ในตัวเราแต่เรากลับไม่รู้กันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปหาของที่เป็นของที่ไม่ดีของที่ไม่วิเศษของที่เป็นทุกข์ด้วยการหลอกให้เราคิดว่าเป็นของดีของวิเศษเป็นของมีความสุขกันแล้วเราจึงต้องมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ต่อให้เรามีอะ okay? ไรมากมายก่ายกองก็ยังต้องทุกข์กันอยู่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหน pues, ึ ame, ่งของโลกก็ต้องทุกข์เป็นพระราชามหาอาณาริย์เป็นประธานาธิบดีก็ต้องทุกข์ไม่มีใครไม่ทุกข์หรอกในโลกนี้เพราะว่าวิ่งเข้าหาความทุกข์กันทั้งนั้นมีผู้ที่ไม่ทุกข์ก็มีแต่พระอริยมีแต่พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่ไม่มีความทุกข์กันเหล่านั้นจะต้องทุกข์กัน นี่ละ่ะเป็นสิ่งเป็นศรัทธาความเชื่อที่พวกเราควรจะตั้งตั้งมั่นกันอยู่คือตั้งอยู่ในในความความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้รู้วิธีดับความทุกข์เป็นผู้ที่รู้วิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของพวกเหล่านี้ถ้าเราอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อยากได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กันด้วยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญากันถ้าเราปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยเราก็จะสามารถทําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้และความสร้างความสุขให้อยู่เต็มร้อยภายในหัวใจของเราไปได้ตลอดเวลา นี่คือเรื่องของศรัทธาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปิอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโต สัพเพปเรินตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิจรถิระโสยธาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตมาเตภวตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะ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 หลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบถามคำถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งบ้านมีใครบ้างมีเท่าไหร่จกเฟ e b o o k มี434 YouTube 221วิดีโออนไลน์7ค l ับ h ฮ u ส e 12ผู้รับฟังหน้ากุฏิ143รวม817ท่านค่ะ okay. อ, อ, อยากจะถามเชิญเข้ามาเลยเดี๋ยวต้องพูดผ่านทางไมโครโฟนนะนะไม่ใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่ใชกลาบมรมสานพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาหมกายกปากหน่อยเอาม่กายกปากกลับมรมสกาพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้หัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยอ่าหยิบหยิบไม่ใช่ตัวนั้นไอ้นี่ตัวเนี้อ่าอ่า อ, อ, อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าในขณะที่เรา ใช้สติและสมาธิทาอยู่นั้นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่ทำให้กิเลสมาให้เราเห็นทีละตัวทีละตัวอย่างเด่นชัดในช่วงสองอาทิตย์จะเห็นว่าหลังจากออกจากสมาธิจะเห็นความโกรธของตัวเองตอนอยู่ในสมาธิก็สงบแต่ว่าหลังจากออกจากสมาธิจะเห็นความโกรธของตัวเองตั้งแต่ในวัยเด็กตั้งแต่เล็กปฐมจาไม่ได้จนกระทั่งจนถึงในวัยทงานซึ่ง รู้สึกว่ามันเด่นชัดมากในสองอาทิตย์นี้ซึ่งการปฏิบตัติมันก็ปฏิบัติมาต้องหลายเดือนแล้วก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้จึงใช้การภาวนาพุโทโธเพื่อที่จะใช้สตินั้นละความโกรธแต่ความจริงมันเมื่ออยู่ในสมาธิก็ละได้จริงใช้สติก็ตัดได้จริงแต่มันไม่ได้ตัดได้จริงจึงขอเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีโอกาสไหมที่ ความโกรธหรือว่ากิเลสในแต่ละตัวบางทีมันจะมาให้เราเห็นจักในบางช่วงและการละความโกรธของพระอริยสงสาวกหรือพระอราหันต์นั้นท่านละได้อย่างไรการภาวนาบุตรโตอย่างเดียวใช้สติและสมาธิอย่างเดียวทําให้ละความโกรธได้หรือไม่จา้าค่ะถ้าใช้สตินี่จะ จะระงับได้เป็นพักๆไปใช่ค่ะเป็นของช่วคราพอเราหยุดความคิดได้ความโกรธก็หายไป<อ>แต่พอเรากลับมาคิดใหม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธมันก็ทําเราโกรธเองดังน<อ>ั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ความโกรธนี่หายไปอย่างถาวรเราต้องเข้าไปแก้ที่สาเหตุของความโกรธ<อ>ต้นเหตุของความโกรธของเราก็คือความอยากเช่นเราอยากให้คนนั้นเขาทําอะไรให้เราแล้ว เ, เขาไม่ทําให้เราเราก็เลยโกรธเขา ทุกครั้งที่เราเจอเขาเราก็จะโกรธหรอเพราะเราจะจำได้ว่ า, าคนนี้มันไม่ช่วยเราเราอยากให้เขาทำอะไรนี้ให้เรามันไม่เราก็ยังจะโกรธ อ, อยู่มันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราก็อย่าไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราเสียก็หมดเรื่องอพอเราตัดความอยากความหวังที่จะเขาจะให้มาทาอะไรให้กับเราได้ความโกรธเคยที่เคยโกรธเขาก็จะหายโกรธไป งั้นต้องมามาละความอยากด้วยการเห็นใจรักในบุคคลในสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นเราอยากให้เขาทำนั่นทํานีนใ่ให้เราเขาไม่ทําให้เราอย่างนี้<อ>แล้วเราก็บังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราพอเห็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ไม่ไปอยากแล้วก็เข้าใจว่าเราไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้ไปโกรธเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อไปแล้วก็ไม่โกรธเขา เราใช้ปัญญาเคยใช้หรือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมะของโลกก็ถูกต้องถ้าดูอย่างนั้นได้ก็เหมือนกันแล้วเราจะไม่ที่จะต้องใช้ภพวิหารสี่หรืออัปปมัญญาอะไรเช่นนี้ไม่ใช่ใช้ปัญญาตัวเดียวใช้ปัญญากับใช้ปัญญากับอุเบกขาสองตัวนี้อุเบกขาต้องเข้าไปด้วยต้องมีอุเบกขาจากสมาธิแล้วเราก็จะเฉยได้แล้วพอปัญญาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะเฉยได้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาได้แต่ถ้า เรายังไม่มีอุเบกขาหนือว่าพูดยังไงก็ไม่ฟังไปยังจากจะไปโกรธไปเกลียดเขาอยู่นั่นแหละ ใช่แสดงว่าสมาธิเรายังไม่ดีพอเราไม่ต่อเนื่องทำ ใ, <ช>ให้เราวางอุเบกขาได้ไม่ต่อเนื่ได้อุเบกขาเรายังมีน้อยอยู่ถึงไม่ควรไปทางปัญญาพยายามเน้นไปทางสมาธิให้มากๆอ<ข>อกสมาธิให้ดีนกว่า <ไป S 2> ใ, ให้จิตมีอุเบกขามากๆอาออกมาก็ยังเฉยได้ใครด่าใครอะไรก็ยังเฉยได้เห็นอะไรก็ไม่อยากได้ตอนนั้นถึงจะไปใช้ปัญญาได้อย่างมีผลมีประโยชน์คเข้าใจแล้วค่ะ ก็มาถูกทางแล้วนะทำต่อไปทำสติสมาธิให้มากมากก่อนส่วนใหญ่เราชอบข้ามชั้นกันยังไม่จบชั้นมัธยมเลยจะไปสอบเอ็นทันกันนะสอบที่ไรก็ตกทุกทีเข้าไม่ได้ทุกทีเวลาอ่านหนังสือมันถึงไม่เข้าใจก็จะมีวิธีแนะนำหลยายแล้วต้องถามคือใจต้องไปที่สำนักปฏิบัติคุยกับคนปฏิบัติด้วยก เราก็รู้เป็นขั้นเป็นตอนการปฏิบัติมันเป็นขั้นเป็นตอนแต่การเรียนนี่มันเรียนครอบจั ก, กรวาลได้หมดตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลไปถึงระดับปริญญาเองมันก็เรียนได้แล้วก็เลยสับสนตัวไหนเป็นตัวไหนกันจะทำตัวไหนก่อนหนละังโอเคนะคาถามฝากถามค่ะ ลูกต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะจึงจะไม่เห็นไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราไม่เห็นว่ารูปเป็นเราไม่เห็นว่าเวทนาเป็นเราลูกต้องการละข้อสักยะทิติให้ได้เจ้าคะก็ต้องจเจริญสติให้ได้ก่อนมีสติแล้วก็ทำใจให้สงบให้ได้อุเบกขาพอได้อุเบกขาแล้วก็มาคอย แยกดูร่างกายว่ามันทํามาจากอะไรก็จะเห็นว่ามัน so ทํามาจากดินน้ rag, ําลมไฟเราไม่ม <Gr> ีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เลยร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ของเราผลิตมาให้เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไปเกาะติดกับร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเท่านั้นเองถ้าลราพิจารณายี้ได้ต่อไปเราก็จะแยกแยะตัวเราออกจากร่างกายได้ เราจะเห็นว่าร่างกายก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งนั่นเองเป็นดินน้าล ม, มไฟที่เกิดแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็จะทุกข์มากคุณนางดูลูก เวลาดูลมหายใจเข้าออกทำไมรู้สึกหายใจไม่อิ่มแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ถูกมันอิดอัดใจอย่างนี้เป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะเวลาไหนนะเวลาเดินจงกรมนี่เวลาเลยเวลาดูลมหายใจเข้าออกเวลาดูลมหายใจเข้าเพราะเราไปเก่งมันอย่าไปเก่งมันมตอนที่เราไม่ได้ดูเ ร, เราก็หายใจตามสบายมันก็รู้สึกอิ่มสบายแต่พอเรามาดูมันนี้มันเก่ง พราะเราไม่เคยดูมันพอามาดูแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนเคอะเขินหรือว่าเหมือนกับทําไม่ถูกก็เลยทําให้การหายใจมันไม่ไม่สะดวกไม่ไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นงั้นอย่าไปถ้ายังดูลมหายใจไม่ได้ก็ท่องพุทธโธไปก่อนอสวดอิติปิโสไปก่อนให้ใจมันเบาหน่อยได้ตอนนี้มันยังแกรงมากมันยังยังเครียดอยู่ยงั้นคลายความเครียดด้วยการสวดอิติปิโสไป ให้ใจมันผ่อนเบาสบายกแล้วค่อยรู้สึกคอเบาสบายแล้วก็มาดูลมเฉยๆอย่าไปยุ่งกับลมอย่าไปบังคับลมอย่าไปอะไรทั้งนั้นดูเฉยๆพอดูว่ามันกําลังหายใจเข้ามันกําลังหายใจออกนั่นเองต่อไปมันก็จะเป็นปกติได้ใหม่ๆมันเครียดมันไม่เคยมันจิตมันไม่เคยอยู่เฉยๆไม่เคยถูกบังคับให้มาดูของที่มันไม่มันไม่อยากดูมันก็เลยรู้สึกทําให้การหายใจเป็น เป็นไปไม่สมบูรณ์ไม่เป็นธรรมชาติคําถามที่สองจท่านเดิมนะคะลูกไม่มีเวลานั่งสมาธิต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนแต่ลูกก็พุทโธพุทโธในระหว่างวันทํางานแม่บ้านแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยทุกๆวันเวลาฟังธรรมะแล้วรู้สึกใจสงบเย็นว่างอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมใหม่เจ้าคะ ก็ปฏิบัติส่วนหนึ่งเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจไปก่อนต่อไปถ้าเรามีเวลามากขึ้นเราถ้าอยากจะให้สงบมากกว่าการฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องการต้องใช้คำบริกรรมพุทธโธแล้วนั่ ง, น, งนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วใจก็จะเข้าลึกขึ้นเข้าสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณสุดาพร ขอกราบเรียนพระอาจารย์ให้อธิบายเรื่องสังขารทางธรรมเจ้าค่ะสังขารทางธรรมสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งสังขารทางธรรมก็คิดไปในทางธรรมนี่ฉันคิดว่าตายรักนี่สังขารทางธรรมเคิดว่าร่างกายนี้เป็นตายรักไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟอนัตตาไม่มีตัวตน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟในท้องของแม่เนี่องอันนี้ก็คิดว่าสังขารทางธรรมถ้าสังขารทางกิเลสก็วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้จะไปดูหนังที่ไหนดีไปกินอะไรดีสังขารทางกิเลสอย่าไปทางนั้นให้ไปทางธรรมชอบไปทางกิเลส แล้วก็มาล้มาบม า, มามมล้อผมล้อห้าในไข้หนังคุณเอ็มจจะทำอย่างไรจะอยู่เหนือขันห้าได้ตลอดเวลาครับเหมือนยังมีความหลงความเผลออยู่ครับคือขันหาเราต้องทำความรู้จักมาก่ามันเป็นอะไรรูว่ามันเป็นสภาวะธรรมเช่นร่างกายนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งเหมือนต้นไม้ ทำ ม, มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันสังขารความคิดตกแต่งก็เป็นสภาวะธรรมที่ที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ส, สัญญาก็เป็นสภาวะธรรมที่จําเรื่องนั้นเรื่องนี้วิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้ใจได้รับรู้เอชนาก็คือสภาวะธรรมที่ทําให้เกิดในความรู้สึกคือให้มันมองให้มันเหมือนว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่นนมนี้นมพัดก็เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติแดดออกก็เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนขันห้านี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติเราก็ผู้รู้ใจก็อย่าไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราไปทุกข์เพราะเราไปยุ่งเราไปยุ่งกับร่างกายมากเกินไปไปคอยเบรกความชะลอความแก่พยายามป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วพอทําไม่ได้มันก็เลยทําให้เครียดทําให้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปมันจะแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหมือนลมพัดมันลมพัดก็ปล่อยมันพัดไปถ้าเราไม่ไปฝืนไม่ไปอยากให้ลมไม่พัดเราก็จะไม่เครียดกับมันนี่คือการอยู่นเนือขันห้าต้องมองให้เห็นขันห้าว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนกับสภาวะทางธรรมชาติที่มีการ ทำหน้าที่ของเขาไปเหมือนอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็มีหน้าที่ให้แสงสว่างลมก็มีหน้าที่ที่จะพัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปมาอะไรทานองนี้ฉันใดร่างกายก็มีหน้าที่เยพาเราไปไหนมันเป็นผู้รับใช้เราเป็นสภาวะธ ร, รมที่รับใช้เราเราอยากจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีร่างกายพาเราไปเวท น, นาก็คือสภาวะธรรมที่สร้างความสุขทุกข์ให้กับเราเวลาที่เราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาเหล่านี้ ก็เข้าใจมันแล้วก็กยอมรับมันอย่าพยายามอย่าไปฝืนอย่าไปเปลี่ยนมันแต่ในกรณีที่ฝืนได้เปลี่ยนได้ก็ทําไปถ้าฝืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปเช่นร่างกายตอนนี้เราก็ยังพอคุมมันได้ให้มันทําอะไรได้ไม่เจ็บไม่ไข้ได้แต่ถ้าถึาถงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วดขึ้นมาจะไปทําให้มันไม่ มันหายทันทีมันไม่ได้เราก็ต้องรอเวลาให้มันค่อยฟื้นของมันไปตามธรรมชาติของมันถ้ามันไม่ฟื้นโยนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องปล่อยมันไปแล้วใจเราจะไม่เครียดใจเราจะไม่ทุกข์ถือว่าเราอยู่เหนือขันห้าได้้ต้องเห็นใจลักในในขันห้าให้ได้คุณรัชดาวันจะทําอย่างไรให้มีอินทรีห้าคะ คืออินทรีห้านี้เรามีด้วยกันทุกคนอินทรีห้าคืออะไรหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวิริยะความขยันหมั่นเพียรสามาสติสี่สมาธิและห้าปัญญาแต่อินทรีของเรานี่มันอยู่ในระดับของปู้ตุชนเธอมีน้อยอยังสู้กับกิเลสไม่ได้แพ้กิเลสถ้าเราอยากจะชนะกิเลสเราต้องพัฒนา จีนจีห้าให้ขึ้นมาเป็นพละห้าด้วยการเข้าหาผู้รู้คือพระพุทพรธรธรรมพระสงฆ์ให้สอนวิธีสร้างพระห้าขึ้นมาให้กับเรา<ม>ก็คือเราก็ต้องได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยจะทำให้เรามีศรัทธาที่แก่ก้าขึ้นที่จะมีความเพียรที่จะปฏิบัติทำให้มากขึ้นมีการจเจริญสติมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นจจเจริญปัญญาให้บ่อยขึ้น ต่อไปเราก็จะมีอินทรีห้าที่มีภาระกลายเป็นพาระห้าขึ้นมาพอเป็นอินทรียกลายเป็นภละขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่ามีกำลังเอาชนะกิเลสได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ดั<ม>งนั้นพาระห้านี้มันเป็นของของพระอริยบุคคลอินทรีห้านี้เป็นของปุถุ ช, ชนอย่างพวกเราผู<ม>้ไม่ประสองค์ออกนาน หากอดใจไม่ไหวที่จะต้องเป็นโสตต้องไปหาคู่อย่างไรแบบพระพุทธศาสนาเจ้าคะอดใจไม่ได้ที่จะต้องมีคู่เนียอดใจไม่ได้ที่จะต้องเป็นโสตต้องเป็นโสตแล้วต้องไปหาคู่แบ บ, แ บ, บคู่อย่างไรอจะไรบพระพุทธศาสนาแล้วมั น, ม, นมันขัดกันอดใจไม่ได้ที่จะสละโสนตะ้อใช่ไหม พิมมาว่าอดใจไม่ไหวที่จะเป็นโสดอ๋อพอนไปหาคู่อย่างยีอยู่อยู่เป็นโสดไม่ไหวแล้วจะ<ช> ต, ต้องไปมีคู่ยังไงวันนี้ง่ายข้าไปในอินเทอร์เน็ตเรียรมีแหล่งให้เขามีเพื่อนรอดเยอะมากทั้หมดวนนี้เขามีเขายกเดตติ้งี เดทเป็ <Dead> <laughs> นไซส์ไซส์ไม่มีแฟนเข้าไปได้เลย <laughs> เ, ล <laughs> เลือกแบบไหนก็ได้หมดเลือกชาติไหนเป็นคนแบบไห น, นเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรนี่เลือกก็มีให้เลือกหมดการได้ของปลอม น, นั้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นหลอกกันทั้งนั้นเนะี่ยของจริงไม่มีหรอกถ้า อ, อยากจะได้แฟนที่ที่เป็นของจริงก็ต้องเจอตัวกันก่อนนก่อน อยากไปหากับพวกที่เขาหลอกลวงกันคุณสุพนัทอยากทราบว่าความอยากที่เป็นตันหากับความอยากที่เป็นฉันทะแตกต่างกันอย่างไรครับถ้าความอยากทางธรรมเราก็เรียกว่าฉันทะอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่เราเรียกว่าฉันทะมันก็จะทำให้เรามีวิริยะ เจียมีความขยันที่จะทําบุญมีความขยันที่จะรักษาศีลมีความขยันที่จะปฏิบัติธรรมส่วนความอยากที่เป็นปัญหาก็คือความอยากเสพรูปสียงกิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราเรียกว่าความอยากที่เป็นปัญหาคุณมาตราการการที่เราทําบุญและนาบุญไปฝากผู้อื่นเขาอนุโมทนาบุญด้วยแล้วเขาจะได้บุญหรือไม่ครับไม่ได้หรอกบุญของใครของมัน เพียงแต่ว่าเมื่เราเข้าใจผิดคำว่าอนุโมทนาบุญอ น, อนุโมทนาบุญนี้หมายความว่าเช่นเรามีลูกน้องเขาขอลาไปบวชสามเดือนเราก็เยนเดียเสียสละให้เขาลาไปบวชได้ก็อนุโมทนาส่งเสริมเขาให้เขาได้บุญเราก็คนที่ทําก็ได้บุญได้เสียสละในการที่จยอมให้ลูกน้องไปไปบวช เขาเขาก็จะลำบากยากกับการทำงานของเขาแต่เขายินดีที่จะยังอยงอเสียส่วนยี้ไปอันนี้ทางหากเรียกว่าอนุมมทนาบุญไม่ใช่ไปทำบุญมาแล้วก็มาโอ้ฉันเาบุญมาฝากเธอนะอนเธอต้องสาธุนะสาธุแล้วเธอจะได้บุญนะไม่ได้หรอคนละเรื่องกันผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ขณะนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธเมื่อเวทนาเกิดพุโทโธก็เอาไม่อยู่เอาจิตผมไลยเอาจิตมานะตั้งทัพที่จุดเวทนาจุดเดียวจนเวทนาเริ่มเบาและจิตไม่ค่อยทุกข์กับเวทนาผมปฏิบัติถูกทางไหมครับถ้าจิตไม่ทุกก็ถูกทางแต่อย่าไปหวังให้เวทนามันเบาลงหรือหายลงบางทีมันไม่เบาลงไม่หายลงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ความทุกข์ในใจเราเบาลงก็แล้ว ก, กัน สำคัญที่ตรงความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่คือเวทนาเพราะเวทนามันเป็นอนาจ ต, ตาบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําททไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือทําใจให้นิ่งให้สงบให้ความทุกข์ยิงน้อยลงได้คุณปาศีลาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงอัปนาสมาธิจะมีอาการอย่างไรครับอ๋ออันนี้เป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็ น, หนมันทาไปเถิพอมันถึงมันจะรู้เอง เห็นกินข้าวเนี่ยพอมันอิม่มมันก็จะรู้อิ่มว่าเป็นยังไงอธิบายไม่ได้หรอกคนที่ไม่เคยกินข้าวบอกอิ่เป็นยังไงต้องเคยกินแนละ้วถึงจะรู้ว่าอิ่มเป็นอย่างนี้เห็นได้ถ้าอยากจะรู้ว่าอิ่มเป็นยังไงกกินเข้าไปเถอะกินเข้าไปเดี๋ย ว, ไ, ยวไม่กินไม่ลงก็รู้ว่าอ่ออิม่มันเป็นอย่างนี้คุณสายน้ำเวลานั่งสมาธิแล้วมีแสง น, นวลออกมาจากกายผุด่องใสเป็นเพราะอะไรเจ้าคะมันก็เป็นเรื่ธรรมชาติของ ของร่างกายหรือของอะไรก็เพียงแตให้รู้ไว้ว่ามันเป็นใจรักก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็ น, ปนอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับอนัตตาไปสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้ไปสั่งให้มันดับก็ไม่ได้<ม>ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงก็พอเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันคุณพาพาการฝากปัใจจัยให้เพื่อนไปทําบุญจะได้บุญเหมือนกับที่เราไปทําด้วยตัวเองไหมคะได้ ถึงแม้เพื่อนจะไม่เอาไปทําบุญเพื่อไปกินเองก็เราก็ยังได้บุญเพระเราเสียสลักเงินก้อนนั้นไปแล้วใครเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ยึดไม่ติดจําเงินขึ้นเราทําไปเราก็ได้บุญเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปยึดไปติดเพรารู้ว่าเพื่อนไม่เอาไปทําบุญเราไปกินเราไปโกรธเขาบุญที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เลยกลับได้ความโกรธกลับมาเพราะเรายังยึดยังติดอยู่กับเงินก้อนนั้นอยู่ว่าจะต้องเอาไปทําบุญอย่างเดียว เพรจริงการที่เราให้เขาไปนี่ก็เป็นการทําบุญอยู่แล้วถ้าเขาเดือดร้อนเขาจะไปใช้ส่งตัวก็ทื่ว่าเป็นการทําบุญกับเขาไปแทนก็แล้วกันเราจะได้ได้บุญเหมือนกันหมดแล้วเลยโอเคมีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ยังมีเวลาอยู่นิดหน่อย <c oughs> อถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา